สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิธพิบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่557ซึ่งเราพึ่งจบจากพระเยซูในพระธรรมฮีบรู61ตอนด้วยกันนะครับในเวลานี้เป็นช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครับต่อไปนี้ทั้งสั ป, ปดาห์ผมจะขออนุญาตนำเรียนพี่น้องทุกคนเกี่ยวกับ24ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ ในโลกนี้24ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูในโลกนี้นั้นเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุดครับถ้าเปรียบกับพระวิหารนะครับ24ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูนั้นก็สามารถเปรียบได้เป็นห้องอภิสุดที่สถานของพระคัมภีร์เลยทีเดียวผู้เขียนพระกิติคุณนั้นก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่อยู่กับพระองค์บทสนทนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และเราก็ยังรู้ด้วยว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเราอย่างไรในสวนเกสซสมเนในาะจนะพะคุลพรกกิติคุณยอนพี่น้องครับเป็นความรักที่น่าอัศจรรย์มากมายเหลือเกินครับเมื่อเราเดินผ่านชั่วโมง24ชั่วโมงนี้และเราต้องทำด้วยความยำเกรงและด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดเลยครับ ไม่ว่าที่น้องจะเป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่ไม่ว่าผมจะเทศนาหาพระกัมภีร์หรือสอนมานานแค่ไหนทุกๆปีอีสเตอร์ก็จะผ่านไปชีวิตเราก็จะดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไงกับชีวิตของเราก็ตามครับความยิ่งใหญ่แห่งการตายหรือการสิ้นพระชนของพระเยซู ที่สุดแสนจะล้ำค่าสุดแสนจะประเสริญนั้นก็ไม่มีวันที่จะลดน้อยลงหรือจืดจางลงได้เลยพี่น้องครับขอให้เรากลับเข้าสู่พระคำของพระเจ้าใค่ควรถึง24ชั่วโมงนี้ค่ควรถึงไม่กังเขนผมเชื่อว่า 5-6 วันที่จะถึงนี้เราจะได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณเราจะมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะ ปรนนตัวในการรับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่พระองค์จะพอพระทัยในเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราเริ่มนะครับที่ห้องชั้นบนที่ห้องชั้นบนที่เรียกว่าอัปเปอรูมซึ่งพระเยซูได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูกับเหล่าสาวก อยู่ด้วยกันมาสามปีนับตั้งแต่สาวกนั้นอยากจะรู้ว่าพระองค์พักที่ไหนพระองค์อยู่อย่างไรพระองค์จะสอนอะไรเปเยซูบอกกับเขาว่าจงตามเรามาดูเถิดพระเยซูกําลังใช้ชีวิตแต่ชีวิตพระเยซูอุทิศชีวิตให้กับเหล่าสาวกทําให้เกิดคำพูดที่ว่าถ้าอยากได้ชีวิตต้องลงทุนชีวิต พี่น้องครับพระเยซูเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะตายขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายค่าวันพระรหัสพระเยซูก็สำแดงเหตุผลที่โปร่งเสด็จมาในโลกนี้ให้กับพวกเขาโดยหวังว่าจะเข้าใจแต่พี่น้องครับย4่สีชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่าสาวกจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจพวกสาวกนั้นต่างรูปประวัติศาสตร์ของชนชาติตนเอง และฉะลองเทศกาลปัสกาซึ่งในวันพระหัสอาหารมื้อสุดท้ายนั้นก็คือพวกเขาได้ร่วมฉลองเทศกาลปัสกามาเขาเคยฉลองเทศกาลปัสกากับพระเยซูมาอย่างน้อยสองครั้งครับแต่แต่ยังคงมองไม่เห็นการเชื่อมโยงหรือความเชื่อมโยงระหว่างพิธีนี้กับความตายของพระองค์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเขามองไม่เห็นเวลานี้พระเยซูรู้ว่าการทนิยต์มาใกล้แล้ว เปเยซูยกขนมปังปัสกาและเหล้าองุ่นขึ้นกล่าวว่านี่เป็นกายของเราและนี่เป็นโลหิตของเราพระองค์กำลังบอกพวกเขาว่าดูสินี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกแก่พวกท่านเรามาเพื่อไถ่พวกท่านออกจากการเป็นทาสพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่อาหารมูสสุดท้ายที่ระเยซูรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับเทศกาลปัสกา นี่คือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะลึกถึงปัสคาและเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแห่งความทรงจำและเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่มีนัยยะสำคัญที่สูงที่สุดในที่สุดแล้วอาหารมื้อสุดท้ายนี้กับกลายเป็นการตั้งพิธีมหาสนิทจักจินครับ ซึ่งพวกเราได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลา 2,000 ปีเพียงครับเรากลับไปดูพิธีปัสกาครับเทศการปัสกาในอบายกบทที่12เป็นเรื่องราวความเป็นมาของพิธีปัสกาซึ่งพวกเขาจะต้องเฉลิมฉลองด้วยใจขอบพระคุณทุกปีตลอดทุกชั่วชาติพันแต่นี่เป็นเหตุที่ชาวยิวนั้นเขาก็ถือปัสกาเราเองก็ถือนะครับถือปัสกาแต่เราเองเรา ถือในลักษณะของพิธีมหาสนิทจักศิษย์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเองภายใน24ชั่วโมงนะครับลูกแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระเมสสป ด, ดกคือองค์พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนครับพี่น้องครับขณะที่อิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา430ปีนับตั้งแต่โยเซฟมา ประชากรของอิสราเอลในสมัยนั้นนะครับที่อยู่ในประเทศอียิปต์นะที่ อ, อพยพออกมา6นะแสนคนครับไม่รวมผู้หญิงและเด็กครับฟาโรไม่ยอมปล่อยอิสราเอลกลับบ้านพี่น้องทราบดีพวกเราทราบดีโมเสสอาโร่ได้ขอร้องให้ฟาโรอ้อนวอนฟาโรให้ปล่อยแต่เขาก็ไม่ฟังพระเจ้าก็ส่งภัยพิบัติมาสิบประการเหนือแผ่นดินอียิปต์จนกระทั่งภัยพิบัติ ที่ร้ายแรงที่สุดสุดท้ายก็คือมรณกรรมของลูกหัวปีทั้งมนุษย์และสัตว์มรณกรรมของลูกหัวปีนั้นทําให้ฟาโร่ยอมปล่อยครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่สิบนี้พระเจ้าตัดบัญชาโมเสสให้ให้เดือนนั้นเป็นเดือนแรกของปีชนชาติอิสราเอลในวันที่สิบของเดือนนี้ทุกครอบครัวจะต้องเลือกลูกแกะตัวหนึ่งอายุหนึ่งปีไม่มีตําหนิเก็บไว้ถึงวันที่ วันที่สิบสี่แล้วฆ่าลูกแกะนั้นตอนค่ำย่างแล้วให้กินกับผักรสขมพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อไร้เชื้อเยื่นะครับชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องใช้เลือดนั้นเนี่ยนะครับที่ออกมาจากแกะนั้นทาที่วงกบประตูบ้านเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้เขาถูกผ่านเว้นครับผ่านเว้นใครผ่านเว้นครับทูตของพระเจ้าคำว่าผ่านเว้นนั้นก็คือ pass o อร์นั่นเอง เพื่อภัยพิบัตินั้นจะไม่เกิดกับพวกเขาขณะที่ลูกหัวปีและสัตว์เลี้ยงของชาวอียิปตุบ้านเลยนะครับถูกประหารเรื่องราวการเดินทางอันน่าทึ่งไปยังภูเขาสีนายออกจากอียิปต์และไปที่ภูเขาสีนายถูกบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพบที่ 12-14 พวกเขาออกเดินทางจากอียิปต์ไม่ใช่ในฐานะชนชาติอิสราเอลแต่เป็นชนชาติแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าครับ พี่น้องครับพันธสัญญานี้มีความหมายลึกซึ้งนี่คือพันธสัญญาที่เรียกว่าพันธสัญญาซีนายพระเจ้าได้ให้โมเสสนั้นสิบประการด้วยกันครับนั่นคือพันธสัญญาหรือพระบัญญัติสิบประการนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเฉลยธรรมบัญญัติที่บันทึกไว้ถึงพันธสัญญานะครับที่รวบรวมขยายความของโมเสส นะครับโดยรายละเอียดพี่น้องครับเราละลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายของเปเยซูเปเยซูก็ตั้งพันธสัญญาเหมือนกันแต่เป็นพันธสัญญาใหม่ครับเราจะต้องเข้าใจพันธสัญญาเดิมและเราก็จะเข้าใจพันธสัญญาใหม่เพราะเมื่อเราระลึกถึงการวาพระชนของระเยซูในพิธีมหาสนิทเราก็จะพบว่าตัวเองนั้นอยู่ใต้คลื่นแห่งพระคุณ ของพันธสัญญาเดิมที่มีมาแต่สมัยโบราณกาลครับนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และรับการไถ่พ้นจากการเป็นทาสเป็น ร, รับการไถ่ของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่ก็ทําให้เราพ้นจากการเป็นทาสไม่ใช่อีบแต่เป็นทาสของบาปและความตายนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเลยที่เราร่วมพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้น รวมและลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายในคริสจักรของเราในทุกวันนี้เรากำลังมองย้อนกลับไปในค่ำคืนวันพระรหัส24ชั่วโมงสุดท้ายของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มที่บนห้องยันบนมองย้อนกลับไปนะครับพลุกลับไปถึงพิธีปัสคาแรกในประเทศอียิปต่น้องครับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและผู้ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นความซับซ้อนลึกลับ ที่น่าประหลาดใจน่าอาศัศจรรย์ใจนะครับแต่ความทับซ้อนลึกลับนี้ไม่ใช่เป็นความลี้รับที่เป็นศายยศาสตร์แต่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงผ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระกมภีร์เปิดเผยสําแดงผ่านผู้คนของพระองค์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับเราจะต้องเข้าสู่พิธีมหาเซนทรัศติ์หลายาหลายท่านหลายๆโบสถ์จัดในวันพระรหัสครับหรือวันศุกร์ก็ตาม เราจะต้องคิดถึงพระเมสสโบรกก็คือพระเยซูผู้ซึ่งได้สิ้นพระชนเป็นเลือดของพระองค์นั้นทําให้เรารับการผ่านเว้นนะผ่านเว้นจากความตายผ่านพ้นจากการเป็นทาตเป็นทาตของความบาปและความตายเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดรและนี่คือสิ่งที่เราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งอาเมี